ถึงม้จะส่งพระโอสถอยู่ ยังไม่ย้ายดีแต่เมื่อยกพระโอษสขึ้นสูง ก, ก็เห็นได้ชัดว่าพระหัตถ์สันระริกส่วนสีพระพักของพระนางสุปยรัตและพระนางอเลนันดอ น, นั้นไม่มีอะไรปรากฏอยู่นอกจากความโกรธและความเกลียดอย่างริกซึง้งพระเจ้าสีป่อได้กรัดมอบพระองค์ มอบราชสมบัติทั้งปวงและมอบพระนครมันดเดลีแก่พันโทสเลเดนนายฐานอังกฤษแต่แล้วก็ตรัสว่าขอเวลาเตรียมพระองค์ทรงอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะเตรียมพระองค์เสด็จออกจากกรุงมันเลได้ทันทรงขอต่อเวลาตามสมควรดูๆไปแล้วก็น่าสงสารพระราชดำรัสขอเวลา ของพระเจ้าสีป่อนี้เป็นคำร้องขอของผู้ที่ไม่รู้ว่าอนาคตตนจะเป็นอย่างไรจรึงมีความปรารถนาแต่ที่จะคงอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้น พระเจ้าสีปอเด็ดรัดมอบพระองค์ราชสมบัติทั้งปวงและพระนครมันเดเลแกบพันโทสเลเดนนายฐานอังกฤษแต่แล้วก็ตรัดขอเวลาเตรียมพระองค์ทรงอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะเตรียมพระองค์สเสด็จออกจากกรุงมันดเลได้ทันทรงขอเวลาต่อตามสมควร ดูไปแล้วก็น่าสงสารเพราะพระเจ้าดํารัดขอเวลาของพระเจ้าสรีป่อนี้เป็นคำร้องขอของผู้ที่ไม่รู้อนาคตของตนจะเป็นอย่างไรจึงมีแต่ความปรารถนาที่จะเพียงแต่จะคงอยู่ในปัจจุบันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นพันโทสเลเดน กราบบังคมทูลว่าตนไม่อยู่ในฐานะที่จะอนุญาตคำร้องขอใดๆไ ด, ๆได้เพราะอำนาจนั้นเป็นอำนาจแม่ทับแต่ผู้เดียวแต่ถวายสัญญาได้ว่าพระเจ้าสีป่อจะไม่ต้องเสด็จออกจากพระราชฐานจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นในคืนนั้นพระเจ้าสีปอจะต้องประทับอยู่ในพระราชฐานในฐานะนักโทษของอังกฤษแตงดาหมินกี้ เลเสนาบริพม่าทั้งวงจะต้องเอาชีวิตของตนเป็นประกันคอยรักษาพระองค์มิให้เป็นอันตรายหรือหายไปได้หากในวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพระเจ้าสีปอดทรงเป็นอันตรายไปหรือไม่ประทับอยู่ในพระราชวังกองทัพอังกฤษก็จะโทษแก่เสนาบริพมา่าโดยจะต้องจับตัวไปประหารชีวิตนิ่พันโทสเรเดน ได้ให้คำ ม, มั่นสัญญาไว้ได้เท่านี้ครั้นแล้วพันธโทเรเดนก็ถาวายบังคมราออกมาข้างนอกเพื่อไปพบกับนายพลเพนเดกัสแม่ทัพอังกฤษถึงตอนนั้นทหารอังกฤษได้เข้ารายร้อมพระราชวังไว้หมดแล้วและได้วางเวรยามไว้เฝ้าออพระราชวังตลอดคืนนั้นแต่ก็มีคำสั่งมิให้ทหารอังกฤษ ร่วงร้้าเข้าไปในพระราชวังเป็นอันขาดตกบ่ายวันนั้นมีเสนาบดีพมา่าบางคนมาติดต่อกับกองทัพมังกริขอให้ผู้หญิงในวงังเข้าออกพระราชวังได้ตามใจในขั้นแรกแม่ทัพมังกริก็ไม่ยอมอ้างว่าเมื่ออนุญาตแล้วพระเจ้าสีปออาจจะปลอมอง์เป็นสตรีสเสด็จน้ยกกจากวังไปก็ได้แต่เมื่อเสนาบดีพมา่าอ้างว่าเรื่องนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะที่วัดเสนาบดีต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตอยู่แล้วถ้าพระเจ้า ส, สรีปอเสด็จหนีประการใดอย่างไรก็เสนาบริพม่า s ทั้งปวงต้องเอาชีวิตของตนเป็นประกันแม่ทัพอังกฤษก็เชื่อในเหตุผลนี้เลยยอมอนุญาตตามคำขอการอนุญาตนั้นทำไปโดยที่ฝ่ายอังกฤษไม่ได้คิดว่าจะเกิดผลเป็นกรรม อันเป็นเครื่องทรมานพระเจริญไทยพระเจ้าศีปอและพระนางสุภยรัตน์สักเพียงใดคืนนั้นพระเจ้าสีปอและพระนางสุภยรัตน์ประทับอยู่ในพระจมลเทียนมีแตงดาหมินกี้และคุณนางอื่นนําตำรวจวังมาตั้งจุกช่องร้อมวงคอยระวังอยู่แต่การระมัด ร, ระวังนั้นดูออกจะเป็นกึ่งการรักษาพระองค์และกึ่ง ควบคุมพระองค์มิให้หนีและในคืนนั้นน้ำใจของคนที่เคยอ้างว่า จ, จงรักพักดีก็ปรากฏประจักษ์แจ้งต่อพระเจ้าสีปอและพระนางสุพระโยชน์บรรดามหาเล็กข้าหลวงที่เคยแวดล้อมรงอยู่นับเป็นจำนวนร้อยๆนั้นได้หายไปเกือบหมดคงเหลือแต่ข้าหลวงของพระนางสุพรยรน์ไม่ถึงยี่สิบคนหรอก และเมื่อได้รับอนุญาตจากแม่ทัพอังกฤษให้ผู้หญิงในวังเข้าออกพระราชฐานได้ตามใจแล้วพวกผู้หญิงในวังก็พากันรีบเก็บข้าวของออกจากวางังของที่เก็บมันไมิใช่แต่ของของตนเองเท่านั้นแต่ได้เก็บเอาทองหยองเครื่องเพชรนินจินดาเปราชทรัพย์ออกไปด้วยตามแต่จะหยิบฉวยได้แล้วสตรีเหล่านั้นมิได้อัดเอื้อมเข้าไปเก็บของหลวงถึงในที่ประทับหรอก แต่พระจมวิเทียมสถานชั้นนายนั้นกว้างใหญ่นักมีพระที่นั่งและตําหนักต่างๆมากมายแต่ละแหง่งแต่ละแห่งก็ระดับระดารือของมีค่ามีคลังในซึ่งเก็บของหลวงอันมีค่าหามิได้อย่างมากมายสตรีในวังก็เที่ยวคนในที่ต่างๆและเก็บพระชาชทรัพย์เอาตามแต่กําลังใครจะขนไปได้ เมื่อคนในวงังขนของมีค่าออกไปข้างนอกทหารอังกฤษที่เฝ้าร้อมวังอยู่ก็ไม่ได้ห้ามปรามแม้บางคนก็กลับเข้ามาในวังอีกอคือขนไปแล้วนี่กลับมาขนอีกทหารอังกฤษก็ไม่ได้ห้ามข่าวนั้นก็เลื่องลือไปทั่วพระนครโดยรวดเร็วบรรดาสตรีชาวบ้านร้านตลาด ก็พากันเข้าไปในวังบ้างเพราะคําอนุญาตมีไว้กว้างๆสตรีเข้านอกออกในได้ตามใจชอบเนี่ยสตรีชาวบ้านก็เข้าได้ฝ่ายทหารอังกฤษเนะี่ยก็ไมิได้รู้ว่าใครเป็นคนในวงังหรือใครเป็นคนนอกวงังจะใช่หรือจะไมิใช่ก็ไม่รู้ก็มิได้ห้ามซักแต่ว่าเป็นสตรีก็ปล่อยให้เข้าไปตามใจอ่ะ และจะมีผู้ชายที่ปลอมแปลงเป็นสตรีบ้างมากน้อยประการใดอย่างไรก็มิดได้แจงตลอดคืนนั้นทั้งคืนพระชฐ า, านชั้นในจึงครากร่ำบปด้วูหญิงที่มุ่งเข้าไปเก็บพระชาชทรัพย์เอาตามอาเภอใจพระเจ้าสีปอและพระนางสุภยรัตก็ได้แต่ประทับอยู่ในที่จะทรงทำอย่างไรก็มิดได้ได้แต่ทอดพระเนตร ดูฝูงสตรีเที่ยวเดินเก็บพระชจทรัพย์เอาตามใจในพระชจ้าฐานเสียงสตรีที่ทะเลาะด่าทอกันเพราะแย่งชิงของมีค่ากันเสียงทุบตีกันเสียงหวีดร้องกันตลอดจนเสียงหัวรเราะเฮฮาดีใจเมื่อคนพบพระชจทรัพย์ในที่ต่างๆางก็ดังกึกก้องไปทั้งวังตลอดทั้งคืน จะได้มีผู้ใดเคารพยำเกรงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเกรงกลัวพระบรมีพระเจ้าสีปอหรือพระนางสุพยรัตน์บัดนี้ก็หามิได้เลยพระเจ้ามเทียนทองนั้นสิ้นพระเจ้าอำนาจอยู่ในมนเทียนทองของพระองค์เองต้องทรงอัปยศ ถูกเหยียบย่ำให้ช้ำพระจริญไทยด้วยผู้หญิงชาวบ้านซึ่งเป็นพระสนิกรของพระองค์เองมิใช่อริราชสัตรูที่ไหนเข้ามาปล้นรั้ววังแยกจริงราชสมบัติด้วยพอใกล้รุ่งเข้าพวกผู้หญิงชาวบ้านร้านตลาด ที่มาเก็บเอาพระเจดซั์ในพระราชวังก็ยิ่งมีมากขึ้นคือคนที่ออกไปก็บอกกันเข้ามาคนที่ออกไปเอาใครรู้อีกก็เข้ามาอีกอะ่ะก็มากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งหมดความยำเกรงเข้าทุกทีจนกลายเป็นการจราจนการเจราจนย่อยๆยเอาทีเดียวการค้นหาพระเจดซั์มันก็ใกล้ที่ประทับเข้ามาทหารที่ร้อมวังอยู่นั้น ก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจยายดีที่จะปราบห้ามปรามคือคือคงหมดกระจายแล้วทั้งสิ้นจนพระเจ้าสีปอดตกพระทัยกลัวจึงตรัสใช้แต่งดาหมินกี้ไปตามพันโทเซเลเดนมาเฝ้าพันโทเซเลเดนนั้นในคืนนั้นนอนค้างอยู่ที่สาราลูกขุนหลุดดอที่ในวังอ่ะพอพันโทเซเลเดนมาถึง และได้แลเห็นผู้หญิงเป็นอันมากกำลังปล้นพระราชมเทียนอยู่ก็รีบสั่งทหารอังกฤษกองหนึ่งให้เข้าไปรักษาการในพระราชฐานชั้นในและให้ขับไลผ่ผู้หญิงเหล่านั้นออกไปในขณะนั้นพระเจ้าศรีปอพระนางสุภยรัตนและพระนางศิลพยุมชินก็ทรงเก็บข้าวของและพระเจทรั์ที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่เข้าหีบคอตามแต่จะทาได้ มีมหาดเล็กและข้าหลวงเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่คอยรับใช้ว่ากันว่าพระเจ้าสีป่อทรงโทมานัสนักตรัสถึงเรื่องการที่ทรงถูกทอดทิ้งโดยขราชบริพารและขุนนางผู้ซึ่งเดนเหนี่ยวตัวรอดไปแล้วโปร่งตรัสถึงอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้ขาดพระโอดในวาระสุดท้ายนั้น พระเจ้าสีปอก็ได้ทรงตรหนักพระจริญไทยถึงความอักตัยอยู่ของคนและได้ทรงทราบว่าขจจบริพารและประสงคนิกรของพระองค์นั้นเคยเกรงแต่พระเจ้าอัมมาศเมื่อพระเจ้าอมมาศนั้นสิ้นไปแล้วก็มิได้มีความจงรักภักดีหรือแม้แต่ความเมตตาที่จะผูกพันคนเหล่านั้นเอาไว้ได้ต่อไปเลยเมื่อได้ทรงเก็บ ของเข้าหีบหอซึ่งปรากฏเรามีอยู่ไม่มากแล้วพระเจ้าสีปอพระนางสุปัรัต์และพระนางสินพยุมชินก็เสด็จไปประทับอยู่ที่พระพลากลางพระจุทยานหาอังกฤษช่วยกันป้องกันโปร่งให้พ้นจากฝูงชนที่บุกเข้าไปในวงังซึ่งยังไล่ออกไปไม่หมดทั้งสามพระองค์ต้องประทับอยู่ที่พระพลาโดยไม่มีผู้ใดเหลียวแหลเป็นเวลานาน เพื่อรอรับคำสั่งจากแม่ทัพอังกฤษให้เสด็จออกจากกรุงมันดะเลในขณะนั้นทางอังกฤษก็ตระเตรียมจัดเรือไฟรำหนึ่งเอาไว้เป็นพระชภาพานะสำหรับเสด็จลงไปเมืองย่างกุง้งและให้ฐานอังกฤษที่ยังอยู่ตามริมฝั่งแม่นม้ำเข้ามาในกรุงให้หมดเพื่อใช้เดินแถวแห่นำพระองค์พระเจ้าสีปอลงเรือท้งนี้ม่ใช่เพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระเจ้าสีปอ แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทัพังกฤษนั้นได้พระองค์พระมาหกากษระสัดกรุงรัตนบุร่างวะไว้เป็นฉเฉลยศึกจึงต้องเดินแถวให้คลึกครื้นเพื่อเป็นเกียรติยศแก่กองทัพังกฤษผู้มีชัยนั่นเองกองฐานังกฤษเดินแถวมาตั้งที่ประตูวังด้านตะวันออกอันเป็นประตูข้างหน้าแล้วแม่ทัพมงกฤษก็สั่งให้ตั้งแถวอยู่ กลางแสงตะ ว, วันอันร้อนเพื่อรอเวลาที่พระเจ้าสีปอจ ะ, สะเสด็จออกจากวังทหารอังกษต้องยืนตากแดดอยู่นานเพราะพระเจ้าสีปอไม่สามารถตัดสินพระทัยออกจากพระราชนิเวศได้พันโทสเลเดนได้ออกมาพบกับแม่ทัพอังกรเพื่อแจ้งว่าพระเจ้าสีปอทรงขอผัดพรนเวลาอีกวันหนึ่งแต่แม่ทัพอังกษก็สั่นหัว ไม่ได้พูดไว้อย่างไรพันโทสเตรเดนก็กลับไปในวังอีกครั้งหนึ่งทหารอังกฤษก็ยืนแถวตากแดด ก, กันต่อไปหน้าแดงกํากันด้วยความร้อนทั้งนายทั้งพลแหละอีกพักใหญ่พันโทสเรเดนก็กลับออกมาอีกและก็แจ้งแก่มาซาวองกฤษว่าพระเจ้าสีปอดรัดเชิญตัวให้เขาไปเฝ้าประตูวังด้านตะ ว, วันออกก็เปิดออก แม่ทัพอังกฤษก็สั่งให้ฐานเดินแถวเข้าไปเหตุเข้าไปในวังจนถึงหน้าท้องพระโรงที่เสต็จออกขุนนางแล้วก็ตั้งแถวสองข้างทางขึ้นสู่พระที่นั่งนั้นแม่ทัพอังกฤษพร้อมด้วย น, นายฐานเสนาบดีพมา่าก็เดินขึ้นสู่ท้องพระโรงแล้วเดินผ่านเข้าไปในพระมหาราชมณฑลจนถึงพระจุลยานชั้นในซึ่งพระเจ้าสีปอและพระนางสุพิรัต์ประทับรออยู่ แม่ทัพอังกฤษเข้าไปยืนหน้าพระพลาแล้วก็ถอดหมวกถวายคำนับอย่างต่ำที่สุดแล้วจึงเดินเข้าไปใกล้พระองค์ยื่นมือออกถวายให้ทรงจับไม่เคยมีฝรั่งคนใดได้เคยทําอย่างนี้มาก่อนเลยแต่พระเจ้าสีปอกก็ยื่นพระธิดาออกมาสัมผัสมือกับแม่ท้ามังกฤษหลังจากที่ทรงชะ ง, งักอยู่ครู่หนึง่งส่วนขุนนางพม่าทั้งปวงที่ตามเข้าไปนั้น ก็ลงถวายบังคมแล้วก็หมอบเฝ้าอยู่ตามประเพณีพมา่าต่อจากนั้นก็มีการเจรจากันระหว่างพระเจ้าสีปอและแม่ทัพอังกฤษอย่างยืดยาวมีพันโทสเลเดนเป็นล่ามคอยแปลพระเจ้าสีปอทรงพระวิตกถึงความปลอดภัยของพระองค์เองและของพระนางสุพยรัตแต่อย่างเดียวทรงถามถึงแต่เรื่องนี้ ซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเกรงว่าอังกฤษจะหลอกอาพระง์ออกจากวังไปสำเร็จโทษเสียแต่แม่ท่าอังกรก็กราบทูลยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ทำเช่นนั้นจะถวายความปลอดภัยให้ทุกประการพระเจ้าสีปอก็ทรงถามอีกว่าแจศเดจไปลงเลรือด้วยวิธีใดเพราะระยะทางจากพระเจ้าวังไปถึงแม่น้ำก็ไกลนัก ทรงเกรงไปว่าชาพม่าที่มีเรื่องอาฆาตพยาบาทพระองค์อยู่จะมาคอยดักทาร้ายเมื่อแม่ทัพอังกฤษกราบทูลวรยะทางเสด็จพระเะดเมินนั้นมีฐานอังกฤษคอยรักษาคุ้มกันอย่างแข็งแรงก็ดูเหมือนจะโล่งพระทัยไปมากครั้นแล้วก็มีรับสั่งถามคุนนางที่เฝ้าอยู่ว่าผู้ใดจะโดยเสด็จไปอยู่นอกประเทศบ้าง ขุนนางทั้งพวงก็นิ่งอยู่มีแต่แตงดามหมินกี้กราบบังคมทูลขือว่าตนนั้นจะขอตามเสด็จเจ้าของตนไปทุกคนทุกแหง่งจนกว่าจะสิ้นชีวิตไม่มีวันจะละทิ้งเบื้องพระยุคลบาทแตงดามหมินกี้นั้นจะได้เคยประพฤติชั่วทําบาปกรรมมาแล้วอย่างไรก็ตามทีเถอะ แต่ในความจงรักภักดีหรือความกระตันอยู่ตอดเจ้าของตนนั้นต้องยกให้แก่แตงดามิงกี้ว่าเป็นเอกเนื่องด้วยน้ำใจซื่อสัตย์กล้าหาญที่แสดงออกมาในตอนที่คับขันที่สุดนี้พระเจ้าสีปอทอดพระเนตรคุณนางอื่นๆที่มอบก้มมาอยู่หน้าพระพระ้าแล้วปรัสถามกินวุ่นมินกี้ขึ้นว่าจะโดนเสด็จไปด้วยหรือไม่ กินวุ่นมินกี้อึดอัดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกราบบังคมทูลว่าหากมีพระเจาประสงค์จะให้โดยเสด็จไปด้วยตนเองก็จะโดยเสด็จด้วยพระเจ้าสีปอได้ทรงฟังดังนั้นก็น้อยพระเจาฤาษไทยกราดกับกินวุ่นมินกี้ว่าจงอยู่ตามสบายเถิดอย่าโดยเสด็จไปนอกประเทศใ้ต้องลำบากเลยแล้วพระเจ้าสีปอก็ไม่ได้กราดกับขุนนาง ว่าอย่างไรต่อไปอีกหละ่ะเวลานั้นตะวันตกบ่ายแล้วแต่พระเจ้าสีปอกก็ยังไม่ได้ทรงขยับขยื่อนพระวรากายออกจากพระราแมตทับอังกฤษดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกแล้วก็กระซิบบอกพันโทเซเลเดนให้กราบบังคมทูลเร่งเหตุเสด็จออกเสด็จโดยไว พระเจ้าสีปอก็ปรัดขอเวลาต่อไปอีกทางฝ่าอังกฤษ จ, จึงทูลว่าถาวายเวลาดอีกเพียงสิบนาทีเท่านั้นแล้วแม่ทัพอังกฤษและนายฐานทั้งปวงก็ถอยมาข้างนอกปล่อยพระเจ้าสีปอและพระนางสุพรยรน์ทรงสั่งพระราชนิเวศวังหยุดตามรำพังในขณะที่ แม่ทัพอังกฤษเข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่ออยู่นั้นพระยาช้างต้นที่ยืนโรงอยู่ด้านหนึ่งของพระเจวังได้ส่งเสียงร้องเหมือนคนร้องไห้และดิ้นรนมิได้หยุดหมอควานจะปลอบอย่างไรก็มิได้สงบลงเท่าที่นายารกฤษบางคนได้ประ ได้บันทึกเหตุการณ์ในตอนนี้ไว้นั้นปรากฏว่านี้มีนายทหารและพลทหารอังกฤษเป็นจมนวนไม่น้อยเริ่มจะนึกสงสารพระเจ้าสีป่อที่ต้องสูญเสียราชสมบัติเสียยศเสียศักดิ์กลายเป็นชเชลยของอังกฤษแต่ในตอนนั้นเองทหารอังกฤษก็ได้เข้าไปเปิดตรุในวงังเปิดตรุ ครั้งนักโทษนักโทษที่ถูกจําอยู่ในตรุตั้งแต่ต้นรัชกาลของพระเจ้าสีปอก็เดินผ่านแถวทหารอังกฤษออกมานักโทษเหล่านั้นเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดุงบางพระองค์และเป็นเจ้าจอมารด า, าพระองค์เจ้ายองยานและเจ้าจอมารดาอื่นๆอีกบางท่าน ทุกคนเป็นผู้สูงอายุแล้วทั้งนั้นด้วยถูกขังมานานตั้งแต่พระเจ้าสีปอได้ราชสมบัติก็เริ่บจับบุคคลเหล่านี้ขังเขาไว้อะอังกฤษปลดปล่อยออกมาเช่นนี้ถูกขังนานเหมือนนางสิบสองในเรื่องพระรดเมรีต้องอดอยากทงทุกทรมานแสนสาหัส ร่างกายสูบผอมร่วงโรยเสื้อผ้าขาดผมเเ่ารุงรังดูแล้วน่าเวทนายิ่งนักบางท่านก็เดินไม่ไหวแล้วต้องพยุงกันออกมาทาหารอังกฤษได้เห็นแล้วต้องถึงกับเมินหน้าหนีด้วยความสมเพชแต่ทุกคนที่เริ่มจะมีใจสงสารพระเจ้าสีปอนั้นเมื่อได้ไมาเห็นภาพเรานี้ก็กลับ ใจยืนเหม่มริมฟีปากแน่นและรู้ว่าการที่ตนกำลังกระทําอยู่กับพระเจ้าศรีป่อนั้นเป็นการใช้ความยุติธรรมอย่างเบาที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางที่จะสงสารเมตตาได้อีกต่อไปในที่สุดพระเจ้าศรีป่อ ก็พร้อมที่จะเสด็จออกจากพระราชวังพระเจ้าสีป่อได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระพลาในพระจุชวทยานมีพระนางสุพยรัตและพระนางอเลนันดอทรงพระดำเนินตามมา และมีข้าหลวงมหาเล็กโดยเสด็จมาห่างๆมีจำนวนไม่มากนักมหาเล็กและข้าหลวงนั้นถือห่อของซึ่งเป็นของพระเจ้าสีปอและของตนด้วยส่วนข้าหลวงพระนางสุภยรัตนและพระนางอะเลนันดอนนั้นก็ช่วยกันขนของเจ้านายของตนและของของตนเองพวกคุณข้าหลวงนั้น ไม่ยอมให้ชาตากรรมของบ้านเมืองมาเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสภาพความเป็นนางในของตนลงไปได้ทุกคนแต่งกายด้วยแพรพันหรากสีและสวยสดเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีบ้านเมืองปกติประดับกายด้วยแก้วแหวนติดดอกไม้บนผมทุกคนพระเจ้าสีปอดเสด็จพระราชดำเนินช้ า, ชา ผ่านพระจ้ามเฑีนสถานที่เคยประทับและเคยเสด็จผ่านมาแล้วนับครั้งมิถ้วนจนมาถึงทองพระโรงพอทรงพระดเมินมาถึงพระที่นั่งการจนะสิงหาอันเป็นที่เคยประทับออกวาราชการทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุภยรัตน์ก็ทรงหยุดยืนทอดพระเนตรพระที่นั่งนั่นครู่หนึ่ง เพียงอึดใจเดียวและก็ทรงพระดเมินต่อไปจนถึงหน้าพระหมหาประสาทถ้าจะให้เดาพระราชฤทัิทยพระเจ้าศรีปอดในขณะนั้น mm. ก็เห็นจะต้องเดาด้วยกรอนจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศ ก, การ์สั่งวังดังต่อไปนี้คงจะไม่ผิดครั้นออกมานอก ทวานวังเหลียวหลังดูนิเวศของยักษา์าเสมอเหมือนเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าอสูราเพ่งพิษคิดอาัยโอเสดายปรางมากประสาทสีตั้งแต่นี้มิได้มาอาศัยสงสารราว สาวสวรรค์กัมมันนยจะเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจจ่าบันแม่ทัพอังกฤษนั้นยืนรออยู่ที่ชานชราพระหมหาประสทัทเมื่อแรเห็นพระเจ้าสีปอดเสด็จลงอัศจรรย์มาแม่ทัพกอถวายคำนับแล้วใช้มือขวายื่นไปข้างหน้า เป็นสัญญาณให้เสด็จพระเจ้าดําเนินผ่านแถวทหารฝรัง่งซึ่งยืนอยู่สองข้างทางเสด็จจนถึงประตูวังด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นประตูหน้าพระเจ้าสีปอก็เสด็จไปตามนั้นทหารฝรั่งทั้งปวงก็ยืนถืออาวุธเฉยอยู่มิได้มีผู้ใดสั่งให้ถวายความเคารพแต่อย่างใด ขณะนั้นแสงแดดยามบ่ายจับยอดพระหมหาประสาทแลดูพุ่งโปรงเหมือนกับเป็นทองทั้งแท่งแต่พระเจ้าสีปอก็ไม่ได้เหลียวไปทอดพระเนตรคงทรงพระดำเนินจนออกประตูวังไปที่หน้าวังนั้นอังกฤษเตรียมเปลหามมีหลังคา สำหรับใช้ที่โรงพยาบาลเขาไว้คือเปลหามมีรังคาสำหรับโรงพยาบาลเขาใช้นะ่ะอังกฤษเตรียมเขาไว้แต่มีลังคาพ อ, พอพอที่จะกันแดด ก, กันฝนได้หากพระเจ้าสีปอดเสด็จต่อไปด้วยเปลหามนั้นเห็นจะต้องทรงพระบัรพมไปพอพระเจ้าสีปอทอดพระเนตรเห็นเปลหามนั้นก็สั่นพระเศียรไม่ยอมสเสด็จขึ้น ถึงตอนนี้ก็เกิดคลุกขลกขึ้นทางอังกฤษก็จะบังคับไปพระเจ้าสีปอขึ้นเปลหามก็ไม่ได้จะให้ทรงพระดำเนินโดยพระบาทไปจนถึงท่าน้ำมันก็กลายเกินไปเวลาก็จวนจะมืดค่ำลงแล้วในที่สุดอังกฤษก็ไปหาระแทะเทียมโคเอาจจเรีกเกวียนก็ตามใจเถอะซึ่งใช้วิ่งรับคนโดยสารอยู่ในกรุงมัดเลนะ่ะ มาได้คันนึงคือในสมัยนั้นมีเกวียนเทียมโครับจ้างรับส่งผู้โดยสารเอาก้อหายานพาหนะชนิดนี้มาแหละแล้วก็เชิญ ส, รรสพระเจ้าสีปอบนางสุพยรัตน์และพระนางอะเลนันดอให้เสด็จขึ้นทั้งสามพระองค์ก็เสด็จขึ้นบนระแทกนั้นตอนนี้ต้องขอชมเจ้าพระน า, านกรมวังพมา่า ว่าปฏิบัติราชการรักษาพระจิรยศไว้จนนาทีสุดท้ายพอพระเจ้าสีปอเสด็จขึ้นทรงระแทะเทียมโคนั้นแล้วเจ้าพนัก ง, งานเก้าคนซึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่ทรบาบเขากลางสเสวตชัดเก้าองค์รายรอบระแทะนั้นมหาดเล็กข้าหลวงก็จัดขบวนเดินตามเสด็จเหมือนกับขบวนพระราชอิสริยยศ ทหารอังกฤษซึ่งเดินอยู่สองข้างทางนั้นน่ะก็เลย ก, กลายเป็นทหารเกณฑ์แห่ไปพอแม่ทาพอังกฤษออกคำสั่งขบวนแห่นั้นก็เคลื่อนออกจากพระราชวังตรงไปยังท่านน้ำมีแตรวงนำหน้าบรรเลงดนตรีไปอยังคลึกครื้นประชาราชกรุงบันดเรอก็พากันมาดูแห่อย่างคับคัง่งจะได้มีผูดด้ใดทุกโศก หรือสงสารในพระเจ้าแผ่นดินของตนอย่างไรก็หามีไม่ก็ด้วยเหตุดายประการใดก็ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงกระทําไว้หนักหนานักกระบวนสเสด็จพระเจ้าสีป่อ น, นั้นเคลื่อนไปได้อย่างช้าช้าเพราะถนนหนทางกรุงมณฑลเน้นเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางไม่สะดวก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 มีน้ำซ้ำกระบวนยังเลี้ยวผิดเสียระหว่างทางอีกทำให้ต้องเดินวกเวียนเสียเวลาออกไปอีกก่อนจะถึงท่าน้ำก็ข้ามลงเสียกลางทางต้องเออะหาคบหาใตา้มาจุดกันอีกเป็นชุรมุนระหว่างสเสด็จโดยระแทะนั้นพระนางสุภยรัตได้ทรงแสดงขัตยมานะให้ปรากฏแก่คนทั้งปวง พอระแทะต้องหยุดลงกลางทางชั่วครู่หนึ่งพระนางก็เปิดหน้าต่างเก๋งทิ่กั้นระแทะอยู่และโผล่พระพักออกมาในพระหัตถ์มีพระโอสถมุนยาวยาสูบมุนยาวและตรัสถามอย่างปกติที่สุดว่าผู้ใดมีไฟที่จะจุดพระโอสถบ้างหรือไม่ทหารอังกฤษที่ยืนอยู่ใกล้นั้น ถึงพากันตกตะลึงไปชั่วครู่ครั้นแล้วก็ได้สติพากันวิ่งกรูเข้าไปาจุดไม่ขีดไฟถวายพระนางสุภพยรัตทรงจุดพระโอษฐจากไม่ขีดไฟที่พลฐานอังกฤษคนหนึ่งยื่นถวายได้ก่อนแล้วก็แย้มพระสวนตรัดขอบใจแล้วขบวนก็เคลื่อนต่อไป ทหารอังกฤษก็พากันนับถือพระนางสุพยรัตน์ว่ามีน้ำพระทัยองอาจกล้าหาญเป็นนักกีฬาที่ดีคาสรรเสริญของอังกฤษว่าใครเป็นนักกีฬาที่ดีเนี่ยนี่เป็นคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากความนับถืออย่างจริงใจในที่สุดขบวนก็มาถึงฝั่งแม่น้ำที่อังกฤษจอดเรืออยู่ พวกมหาดเล็กข้าหลวงที่ตามเสด็จมานั้นอิดโรยกันมากเพราะต้องเดินเท้ามาไกลพระเจ้าสีปอก็คงจะทรงเหน็ดเหนื่อยมากอยู่พอระแทะจอดลงฐานอังกฤษก็เข้าประคองพระองค์ให้เสด็จลงจากระแทณัที่นั้นชาวกรุงมันเะเลมาคอยมุงดูกันอยู่มากเมื่อแรเห็นพระองค์บางคนก็กราบถวายบังคม แต่บางคนก็ยืนดูเฉยๆอยู่พระเจ้าสีปอและผู้โดยเสด็จทรงยืนอยู่ที่หน้าท่าน้ำนั่นครู่หนึ่งเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปในระหว่างนั้นผู้คนก็มุงแน่นเข้ามาทุกทีนายฐานอังกฤษเกรงว่าจะเกิดจราจนหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ได้เ็าจึงรีบเชิญเสด็จลงเรือโดยด่วน ห้องซาลูนหรือห้องโถงของเรือรำมันได้เตรียมไว้ให้พระเจ้าสีปอได้ประทับ พ, พักผ่อนพระราชริยาบทพร้อมด้วยผู้โดยเสด็จแต่พระเจ้าสีปอก็เพียงแต่เสด็จผ่านห้องนั้นแล้วตรงไปยังห้องบรรทมซึ่งเป็นห้องเล็กๆสำหรับคนโดยสารธรรมดาสามันทันทีพระนางสุภยรัต ก, ก็ตามเสด็จไปติ ด, ตด ทั้งสองโปรงเสด็จเข้าห้องแล้วก็ทรงปิดประตูงเงียบอยู่แต่ในนั้นและเรือกลนไฟนั้นก็ยกสะพานเรือออกจากฝั่งแล้วก็ถอยออกไปทอดทุนจอดอยู่กลางแม่น้ำ รอเวลารุ่งเชา้าจึงจะออกเดินทางต่อไปพอรุ่งเชา้าเรือนั้นก็แล่นออกจากกรุงมันดาเลไปยังเมืองย่างกุง้งพระเจ้าสีปอกเสด็จโดยเรือรำนั้นออกจากพระนคร และพระชจนาเขตโดยไม่มีวันได้เสด็จกลับมาอีกพอถึงเมืองย่างกุ้งอังกฤษก็ส่งพระองค์ให้ประประทับอยู่ในประเทศอินเดียจนสวรรคตรใครที่เป็นมอนหรือมีเชื้อสายเป็นมอนและยังคิดอยู่ว่าชนชาติมอน เคยถูกพมาก่าค่มเหงกดขี่มามากมายในอดีตจนถึงขนาดมีใจพยาบาทอยู่เมื่อได้อ่านเรื่องราวนี้มาถึงตอนนี้ก็น่าจะแลเห็นเวรกรรมและอะโหสิเวรกรรมนั้นได้แล้วเพราะเรือที่อังกฤษคุมโปรงพระเจ้าศรีป่อออกจากกุ ม, มนเรมาจนถึงเมืองย่างกุ้งเพื่อนในประเทศต่อไปนั้น มีชื่อเป็นมอนว่าเรือทอเรีะเมื่อพระเจ้าสีปอพระนางสุพยรัตน์พระนางอเลนันดอและราชบริพานที่โดยเสด็จเดินทางมาด้วยเรือทอเรีะจนถึงเมืองย่างกุ่งแล้วทางอังกฤษก็รีบส่งต่อลงเรือเดินสมุทรไปยังประเทศอินเดียทันที กรุงรัตนบุรอังวะซึ่งเคยรุ่งเรืองด้วยเดชด้วยอำนาจและด้วยสริงคารทั้งปวงก็มาจบประวัติและสิ้นชีวิตลงด้วยประกาศสั้นๆของอุปราชอินเดียลงวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2428 ดังต่อไปนี้โดยพระราชสวนีแห่งสมเด็จพระจักรพรร ด, ดิราชินีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบรรดาเขตแคว้นทั้งปวงซึ่งพระเจ้าสีป่อเคยปกครองอยู่นั้นบัดนี้มิได้อยู่ใต้อำนาจการปกครองของพระองค์อีกต่อไปแล้วแต่ได้ตกมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งขอบขันตศีมาของพระบรมราชนีนาถ และจะได้โปรดกล้าวแต่งตั้งให้อุปราชอินเดียและผู้ว่าราชการใหญ่อินเดียปกครองต่อไปตามพระราชอธทยาศัยลงนามดับฟรินอุปราชอินเดียราชวงศ์อลลองพยานนั้นสืบรชาชสันตติวงศ์ในกรุงอังวะ เป็นลำดับกษัตริย์มาสิบรัชกาลเอาจะขอเรียงลำดับไว้เพื่อท่านผู้จิตสนใจอ า, อาได้รู้ได้ทราบดังต่อไปนี้หนึ่งพระเจ้าอาลองพระหรือมังระในพระเจ้างศ์สวัสดา์ไทยนะเป็นประธมัติกษัตริย์ขึ้นปราบนาพิเศษเมื่อ พุทธศักราช 2,295 และสวรรคตในพุทธศักราช 2,303 2 3, พระเจ้านองดอกขยีพระเจรสของพระเจ้าอัลองพระโอรสเจ้ามังระสวยราศในปีพุทธศักราช 2,303 3ปีต่อมาก็สวรรคตคือสวรรคตในปี 2,306 อันดับที่สพระเจ้าสินพยุชินพระเจ้ารถของพระเจ้าอาลองพระอีกองค์หนึ่งสวยราเมื่อปีพุทธศักราช 2,306 สวรรคตในปี 2,319 พมา่าตีกรุงเสียยุธยาได้ในรัชกาลนี้ 4. พระเจ้าสิงคูพระเจริของพระเจ้าสิงห์พยุชินสวยราชในปี 2,319 เสียพระจริตสวรรคตปี 2,325 5. พระเจ้าบโบเดยะพยาพระเจริของพระเจ้าอลองพระสวยราชปี 2,325 สวรรคต ปี 2,362 อันนี้ยาวนานหน่อยพระชริพระเจ้าโบโดะโบโดยพยาซึ่งได้รับรับรชทายาทถูกลอบรงพระชนสิ้นรัชกาลแล้วพระชน ด, ดาขึ้นสวยราชต่อไป 6. พระเจ้าบาคยีดอพระชน ด, ดาของพระเจ้า บโบดยพยาสุเวราชปี 2,362 เสียพระจริตถูกสมเร็จโทษในปี 2,380 ในรัชกาลนี้พม่าเสียยะไข่แรตนาวสีแก่อังกฤษเมื่อปี 2,3687 พระเจ้าทารวดีพระชนนดาของพระเจ้าบโบดยพยาสุเวราชปี 2,380 ทรงเป็นพระนุชาของพระเจ้าบาคยีดอเสียพระจริตถูกสมเร็จโทษในปี 2,389 พระเจ้าพักคันพระเจรถของพระเจ้าทาราวดีสวยราชปี 2,389 เสียพระจริตและถูกถอดจากรสสมบัติเมื่อปี2 3 9 6สวรรคตต้นรัชการพระเจ้าสีปอดในรัชการนี้ พม่าเสียเมืองพะโครหรือพม่าใต้ให้แก่อังกฤษ 9. พระเจ้ามินดุงพระเจรถของพระเจ้าทารวดีสวยราชปี 2,396 สวนโคตปี 2,421 นี่ยาวหน่อยอันดับที่สิบสุดท้ายพระเจ้าสีปอเป็นพระเจ้ารถพระเจ้ามินดุงสวยราชเมื่อปี 2,421 เสียกรุงอังวะและพระราชนาจรรักรแก่อังกฤษเมื่อปีพุทธศทักราช2428เมื่ออังกฤษเข้าปกครอง กรุงอังวะนั้นอังกฤษต้องประสบปัญหายุ่งยากต่งตางๆมากมายในตอนแรกเมื่อพระเจ้าสีปอยังครองกรุงอังวะอยู่นั้นมีคนเป็นจำนวนมากมายที่มีอาชีพอยู่ได้ด้วยการรับราชการหรือเกี่ยวเนื่องกับราชการขุนนางตำแหน่งต่างๆนั้น มีมากมายเกินที่จะประมาณได้เพราะการปกครองพม่าในระยะนั้นสืบเนื่องมาจากการปกครองกันแบบโบราณไม่เคยชำระสะสารหรือแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ตาแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆที่ตั้งขึ้นไว้ในอดีตนั้นเมื่อหมดความจาเป็นไปนานแล้วก็ไม่ได้สั่งเลิกแต่ก็ยังคงไวย้ยางงั้นน่ะ เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นใหม่ก็ตั้งตำแหน่งขึ้นใหม่อีกหรือบางทีก็ตั้งตำแหน่งซ้ำๆกันอีกออแต่ให้เป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาตลอดจนฝ่ายกลางตามธรรมเนียมของคนโบราณระบบราชการสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก็คงจะมากผู้มากคน และอุ้ ย, อ, ยอ้ายเรราเช่นเดียวกันเมื่อกรุงสียุทยาเสียแก่พมา่ามาตั้งระบบใหม่กันเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินก็คงจะกระทัดรัดแคล่วคล่องขึ้นแต่แต่เมื่อกรุงรัตนโกสินอายุได้สองร้อปีเอไดราราวร้อยปีก่อน ก็ชักจะเริ่มรุงรังกันขึ้นอีกเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าหลวงต้องทรงปฏิวัติการปกครองขึ้นใหม่นับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เอารวมร้อยปีเข้าไปอีกแล้วระบบราชการของไทยก็ดูเหมือนจะกลับรกรุงรังขึ้นมาอีกมีตำแหน่งและกรมกองที่ทำงานอย่างเดียวกันและซ้อนซ้ำกันอยู่มากมาย แต่โบราณเคยมีกรมสรรพกรนอกกรมสรรพกรในแล้วก็เลิกไปเหลือกรมสรรพกรกรมเดียวแต่เดี๋ยวนี้เกิดมีกรมสรรพกรในขึ้นอีกแล้วยักกระสายเรียกกันแต่ว่ากอต่อพอเป็นต้นถ้าจะสรนเอามาเขียนก็คงจะได้เรื่องยืดยาวว่าเมืองไทยในปัจจุบันซึ่งคุยกันอย่างเบ่งเบ่งอยู่ว่า อยู่ในระบอบราาประชาธิปไตยและอยู่ในยุคพัฒนานั้นมีระบอบสังคมและระบบราชการที่ย้อนถอยหลังกลับเข้าสู่ยุคโบราณเพียงใดอย่างไรก็ตามเมื่อระบอบเก่าของกรุงอังวะสูญสิ้นลงมีฝรั่งเข้ามานั่งเมืองและปกครองแบบฝรัง่งซึ่งถือว่าพม่าเป็นเมืองเล็ก เกือบจะไม่มีความหมายแทนที่จะถือว่าเป็นหลักของโลกอย่างที่พม่าเคยถือกันมาคนที่เคยหากินจากราชการพรม่าเป็นจานวนมากนะ่ะก็หมดทางหากินที่อดตายไปเองเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรอื่นก็มีไม่น้อยที่กลายเป็นโจรไปก็มากในที่นี้ ก็น่าจะลองคิดดูว่าสมมติว่าราชการเมืองไทยมีอันต้องล้มเลิกไปโดยกระทันหันข้าราชการไทยทุกวันนี้จะอดตายกันสักกี่เปอร์เซนต์และจะกลายเป็นโจรไปสักกี่เปอร์เซนต์ทั้งนี้โดยไม่นับพวกที่เป็นโจรอยู่แล้วนะ พระเจ้าสีปอเสด็จออกจากกรุงมันฑเลไปในคืนวันนั้นเองผู้ร้ายกกกออกไปในพระอารามหลวงติดส่างไวในราชการพระเจ้ามินดุงและแกะเอาเพชรเม็รใหญ่อันหาค่ามิดไดจากพระนราชพระพุทธปฏิมานในพระอารามนั้นไปหลังจากนั้นก็มีการปล้นสะดมกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน อังกฤษต้องตั้งกองปราบปรามอยู่นานจึงสงบถึงแม้ว่ากรุงมัณดะเรจะสงบลงแล้วตามผู้เมืองต่างๆก็มีความไม่สงบอย่างยิ่งทหารที่แตกทัพไปคุมกันเป็นซ่องโจรเที่ยวปล้นตีชิงทรัพย์รัศดรทั่วไปความจริงเมื่อก่อนเสียกรุงอาวาแกงกฤษนั้นโจรผู้ร้ายก็มีชุกชุมอยู่แล้ว เพราะการปกครองไม่ดีพอพอเสียเมืองเข้าก็เกิดความรู้สึกทั่วไปว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปเพราะอังกฤษไม่สามารถจัดการปกครองให้ทันท่วงทีได้ความไม่สงบที่ไม่สงบอยู่แล้วนะ่ะก็เพิ่มขึ้นมีความรุนแรงยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีผู้มีบุญเกิดขึ้นในที่ต่างๆทั่วไป คือว่าต่างคนต่างก็อ้างว่าจะกู้บ้านกู้เมืองให้พ้นจากอำนาจฝรั่งตาน้ำข้าวอวดอ้างฤิษอาารอำนาจต่างๆเพื่อส่องสมผู้คนแล้วก็เที่ยวรบกันเองปล้นกันเองฆ่ากันเองไม่ใช่ว่าจะกอบกู้เอกราชอิสรภาพแต่ประการใดอย่างไรได้หรอกอังกฤษต้องใช้เวลาปราบปรามอยู่ถึงห้าปี และนอกจากจะปราบปรามแล้วก็ยังต้องจัดรูปการปกครองขึ้นใหม่ทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อคนจะได้เชื่อถือการปกครองแบบใหม่นั้นด้วยนั่นแหละบ้านเมืองจึงค่อยสงบราบคาบลงพระนครมันเดเลนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากอังกฤษเข้าไปตั้งอยู่ในพระราชวังซึ่งได้วางผู้คนลงแล้วคงเหลือแต่พระยาช้างเผือก ซึ่งยืนโรงอยู่อังกฤษนั้นเป็นคนรักสัตว์จึงพร้อมที่จะเลี้ยงดูพระยาช้างเผือกต่อไปแต่ก็เลี้ยงอย่างช้างธรรมดาจะให้กินหญ้าหรือกินกล้วยกินอ้อยก็ไปวางวางกับพื้นไม่ได้ใส่ยพานเงินพานทองอย่างแต่ก่อนนะถึงเวลาจะลงอาบน้ำก็มีหมอควานขี่ไปคนเดียวไม่มีคนกั้นสัปปทน และกระบวนแห่แหนตามเกียรติยศของพระยาช้างเผือกแต่อย่างใดมองดูเหตุการณ์รอบๆตัวแล้วเอก็คงจะรู้ตนเองไม่สามารถที่จะปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้นได้เสียกรุงแก๊ปฝรั่งได้ไม่กี่วันพระยาช้างเผือกก็ล้ม สัตวแพทย์ฝรั่งตรวจดูแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคอย่างไรคำว่าล้มคือตายคือเสียกรุงไม่กี่วนันพระยาช้างเผือกก็ตายสัตแพทย์ตรวจแล้วไม่ปรากฏว่ามีโรคอย่างใดเลยถ้าจะพูดกันอย่างไทยๆก็จะต้องพูดว่าพระยาช้างเผือกนั้นเกิดมาคู่บุญบา ร, รมีพระเจ้าสีปอและกรุงรัตนบุรีอังวะ พอสิ้นบุญบารมีพระเจ้าสีปอสิ้นบุญสิ้นเสียกรุงรัตนบุรอังวะแล้วพระยาช้างเผือกก็สิ้นเหตุที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทหารฝรั่งและกุลีพม่าได้ช่วยกันลากศพพระยาช้างเผือกออกไปนอกกรุงอังวะและก็ขุดหลุมฝังไว้โดยไม่มีพิธีรีตอง ไม่มีปีกรองอย่างไรทั้งสิ้นฝรั่งจัดการกับขยะกรุง ม, มันเดเลอย่างไรก็จัดการกับศพพระยาช้างเผือกคู่บุญกรุงอังวะอย่างนั้นแหละคนเรานั้นเก่งกว่าสัตว์ก็ในเรื่องการปรับตัวเอง ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยด้วยเหตุเนี้ขุนนางพมา่าจึงไม่ได้พากันล้มตายเหมือนอย่างพระยาช้างเผือกแต่หันเข้าสมัครสมานทํางานกับอังกฤษกันมากเสนาบดีพม่านั้นยอมทํางานกับอังกฤษต่อไปเกือบทั้งหมดมีกินวุลมินกี้เป็นหัวหน้า อังกฤษนั้นเมื่อมายึดบ้านยึดเมืองพมา่าได้ก็มีมาแต่ทหาจรจึงต้องการคนที่รู้เรื่องช่วยทำงานอยู่มากว่ากันว่ากินวุนมินกี้และเสนาบดีตลอดจนขุนนางพมา่าอื่นๆนั้นได้ช่วยทำงานด้านการปกครองพมา่าให้เป็นประโยชน์แก่อังกฤษมากแต่อังกฤษก็เลี้ยงคนเหล่านี้แบบในห้างเลี้ยงสมียนห้าง ระหว่างที่คุนนางพม่าทํางานกับฝรั่งอยู่นั้นความในใจจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบถ้าใครอยากรู้ก็คงไม่อยากลองไปทํางานห้างฝรั่งดูสักพัักก็คงจะรู้ส่วนแตงดามินกี้ผู้ซึ่งอาสาจะโดยเสด็จพระเจ้าสีปอเพื่อเป็นข้าทูลองทุรีพระบาทตลอดไปนั้นอังกฤษไม่ได้อนุญาตให้ทําได้ตามความประสงค์ อังกฤษจับตัวแตงดามิงกี้ในประเทศไปอยู่เมืองคุตตาสในประเทศอินเดียแตงดามินกี้ถูกในประเทศไปได้พักหนึ่งอังกฤษก็อนุญาตให้กลับมาอยู่เมืองย่างกุ้งได้แตงดามิงกี้ก็ค้าขายหาเลี้ยงตัวไปจนตายที่เมืองนั้นแตงดามินกี้ผู้นี้เคยค้าขายร่ำรวยเป็นอันมากเมื่อได้ดเป็นที่สมุหะพระกราหหอมกรุงอังวะ แต่พอต้องมาค้าขายด้วยตนเองไม่มีอำนาจวาสนาหนุนหลังก็เป็นได้แต่เพียงพ่อค้า ข, า, ขายเล็กขายน้อยประเภทหาเช้ากินข้ามมิได้ร่ำรวยอย่างที่เคยค้าด้วยด้วยอำนาจอังกฤษที่เข้าครองกรุงมันดาเล่นั้นมิได้เห็นว่าบรรดาพระมาหาประสาทและพระจมุนเทียนสถานในพระวังนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างไร เห็นแต่เพียงว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งจะตั้งสำนักงานขึ้นได้ในเมืองที่สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆออกจะหายากอังกฤษก็เข้าไปใช้สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนพระหมหาปราสาทที่เคยเป็นท้องพระโรงเสด็จออกวาระการนั้นก็ได้ ก, กลายเป็นโรงสวดของฐานอังกฤษมีที่บูชาตั้งไว้หน้าพระที่นั่ง การเจนัญสิงหาดสมสรรนายฐานอังกฤษก็จำเป็นต้องมีอังกฤษก็เลือกเอาพระพลาถงในพระจุทยานที่พระเจ้าสีป่อประทับอยู่ในวันสุดท้ายนั้นแนหะเอาที่นั่นนะเป็นที่ตั้งสมสรเพราะมีสวนดอกไม้และสนามหญ้าแวดรอมงดงามดีพระราชมนเทียนนั้น ได้กลายเป็นที่อยู่ของข้าหลวงอังกฤษพระราชมนเทียนก็เป็นที่อยู่ของข้าหลวงอังกฤษไปส่วนตําหนักต่างๆภายในวังก็ใช้เป็นสถานที่ราชการของอังกฤษเอาโต๊ะเก้าอี้เข้าไปตั้งทํางานมีคนเดินเข้าออกวันละมากๆทุกวันไม่มีผู้ใดคํานึงถึงศิลปะอันวิจิตระการตาที่เด้สรรสร้างขึ้นไว้ในที่นั้นเลย และเมื่อคนผู้เข้าไปใช้สถานที่เหล่านั้นไม่ได้มีทั้งความเคารพและความประนีตแห่งศิลปะที่มีอยู่ในสถานที่พระหมหาประสาทและพระเจมนเทียนสถานทั้งปวงก็เริ่มจะสุดโทรมลง มาฟังทางนี้กันบ้างคือเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีส่งพระราชอุตสาหะกู้กรุงศรียุธยาคืนมาได้จากพม่าข่าศึกได้เสด็จเข้าที่พระบันทมในราชมณฑนสถานแห่งกรุงศรียุธยาก็ปรากฏว่าพระหมหากระัตรราีิราชเจ้าแห่งกรุงศรียุธยา ได้ทรงสำแดงนิมิตปรากฏในพระสุบินมาขับไร่มิให้ประทับอยู่ในสถานที่นั้นแต่เมื่อข้าหลวงยางกริตเข้าไปนอนอยู่ในพระจมนเทียนทองจะมีพระหมหากราัตรพรม่าในอดีตมาเข้าฝันขับไร่สายส่งแม้แต่พระองค์เดียวก็ไม่มีหน้าเจ็บใจแทนท้งสม็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและพะม่าหรือเกิด แต่คนที่มาไล่อังกฤษออกจากพระาชวังกรุงมันดาเลนั้นไม่ใช่พมา่าแต่เป็นคนอังกฤษด้วยกันเองหลังจากที่อังกฤษได้เข้าครองวังมาเป็นเวลาสิบห้าปีหลอดเคิร์ซันอุปราชเมืองอินเดียก็มาตรวจราชการที่กรุงมันดาเลันท่านผู้นี้เป็นผู้สนใจในศิลปะและโบราณคดี เป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นการาชการอังกฤษเข้าไปอยู่ในวงังก็ไล่ให้ออกไปหาที่อยู่ใหม่ข้างนอกแล้วได้ทําการบูรณะรั้ววังให้กลับคืนดีเท่าที่จะทำได้และได้รักษาไว้เป็นโบราณสถานมาจนถึงสมัยสงครามมหาบุรพาเอเชียเมื่อสงครามเกิดขึ้นญี่ปุ่นได้ตีอพาม่าได้จากอังกฤษและญี่ปุ่นได้ยึดครองพม่าอยู่พักหนึ่ง ต่อมาอังกฤษได้ส่งฐานเข้าตีพม่าคืนจากญี่ปุ่นและได้รบพุ่งกันอย่างหนักก่อนที่ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามที่กรุงมันดาเล่นั้นทหารญี่ปุ่นก็เข้าไปอยู่ในพระราชวังและยึดเอาเป็นที่มั่นทางทหารรักษาไว้อย่างแข็งแรงอังกฤษจึงต้องโจมตีอย่างหนักก็ปรากฏว่าปราสาทพระราชาวังสิ่งก่อสร้างใหญ่น้อยในนั้นถูกเพลิงไหม้ และถูกระเบิดทำลายไปจนหมดสิ้นคงเหลือแต่กาแพงวังเท่านั้นซาพระราชวังที่กรุงมันดะเลทุกวันนี้มีเหลือน้อยกว่าซาพระราชวังหลวงที่กรุงเสียยุทธยาใครจะนึกถึงอย่างไรประการใดก็นึกกันเอา กาสิบเจ็ดถึงเก้าเก้าสี่แยกวุกระสัตรหลังโรงเรียนในร้อยเจปรรอเป็นสถานที่จำใหม่หนังสือธรรมทุกชนิดเพชรธรรมะมากมายแร่เ<ร>ทพมหชาติเพื่อนก่งกรรมโดยพระครูสังกัรตบุญเรือปัญญาเปโรถสมนิ่งสมบูรณ์ดาวชาดกแร่เทศมหชาติเวทสันโดนชาดกแร่ทำควัญหน้าโดยสมนิ่งสมบูรณ์ดาวชาดกแล่ทาควันหนาาโดยน้ำพุ่งเพชรอุ ท, ทัยเพชรธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะ เทปธรรมภาษาจีนแต่จิ๋วบรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยในแพทย์ตันหมอดเซียงพร้อมด้วยเทปธรรมจากพระอาจารย์ต่างๆอีกมากมายเทปธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเถระผู้ใหญ่ครบรชุดณที่ร้านธรรมเจริญเลขที่๙๗๙๙สียย่แยกจุกระสัดถนนประชาธิปไตยรังสุเนตรในร้อยจอบ ร, รอกโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่๒๘๑๑๕๓๕๒๘๒ เจ็ดเก้าหกศูนย์ครับครัครับ